เขาเชื่อดวงใจโอ้โอรักแพ้แพร้รักเทียมใจเปลี่ยมไหมผิดอะไรเหตุชนยใจคืนคมรักมาลาลาราไปให้อกรมสุดจะคมตัดไม่ขาดบาดทั่วใจ หมดเชื่อายใจในองแย่นีแต่ระทม เยื่อใยใจนองแย่มีแต่ระทรมเลืมน้องแล้วแล้วจกไปใจเป็นอื่นสุดจะฝืนฝืนด้วยไทยใจคืนคมเธอเอ็นเอียงเอียงหัวใจให้ระทรมเธอสุขสมฉันสุดเศร้า